นายกอบตนายกเาว่าเป็นนายกไปว่าผู้นำนายกนายกเป็นผู้นำของชุมชนเป็นผู้นำของประเทศเป็นผู้นำของกลุ่มถ้าจะจัดเป็นวัวกระวัวหัวจ่าฝูงอ่าเป็นจ่าฝูงจะว่ายน้ำตรงไหนจึงจะปลอดภัยเ้าบอกว่าวัวที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยเวลามันจะว่ายน้ำ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 เหมือนเขาเราทำอะไรก็ตามถ้าทำด้วยความจริงจังและจริงใจทำด้วยความใส่ใจกับควาทำแบบเล่นๆมันต่างกันนะถ้าทำแบบเล่นๆไดเอามา ม, มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าว่าทำด้วยความจริงจังและจริงใจด้วยหลักเหตุผลสิ่งนั้นก็รู้สึกว่าจะเกิดประโยชน์แต่จะไปทำจริงจังและจริงใจแบบหัวชนฝาใช้ความโง่แล้วหัวชนฝาอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง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 อย่างนั้นหลวงพ่อว่าขราวนี้ก็ได้ข่าวหน้าต่อไปก็คงจะได้อีกเพราะเหตุไรก็เพราะเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ทนนานนายกทั้งหลายผู้ติทีมทีมนายกที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าปฏิบัติหรือว่าคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดนี่ยนะพวกเราก็คงจะไปได้ดี ในการเป็นนายกของพวกเราแต่เรามาเมื่อวานกันมาเห็นพวกไฟฟ้าเข้ามาตั้งเสาแต่หลวงพ่อเนี่ยให้เขาตั้งเสาไฟนะเพราะว่าครูบาท่านทำทําแบบคิดว่าจะไม่มีอะไรก็คงไม่มีอะไรที่ไหนได้ลิงมันขึ้นไปขยมขยมเสาไฟเสาไฟนั่นก็เป็นเหล็กเปรอะแป๊บเนี่ยเหล็กแป๊บปลาปาหนาเพียงนิ้วครึ่งมันเล็ก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 พอไปจับเท่านั้นแหะไฟซอดตายนะเด็กนี่นเพราะมันไฟอยู่ที่นั่นอันตรายนะลูกหลานนะหลวงพ่อคิดหนักนะตัวนี้นะควรจะเปลี่ยนเสาใหม่เนี่ยแหละก็เลยขอร้องทางไฟฟ้าเขามาทํามาทําเสาให้เขาเขามีมีจิตศรัทธาแซดดีมาทําให้ด้วยถวายด้วยเขารวมเงินกันซื้อให้ด้วยเพราะนั้นก็อย่างที่พวกเราเห็นนะเสาไฟดูดีขึ้นมาทั้งรอบๆศาลา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 ไปสงน้ำเมษาไปนั่งแล้วก็ให้ทางในครัวจัดดอกไม้ตามมีตามเกิดนะแตพอสมควรจัดใส่แท่นพระบูชาพระพุทธปฏิมาจากนั้นก็เราก็จะได้บิณฑบาตชั้นอยู่ข้างนอกเตรียมกระพงกระมังเสือศาสตร์ที่นั่งพักพิกพาอาศัยของพวกเรานั่นแหละออกไปข้างนอก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 พี่น้องประชาช น, ช า, านาชาวบ้านด้วยบอกประกาศชาวบ้านด้วยบอกเออวันที่ออกพรรษาใส่บาตนอกวัดเนอะท่านจะไม่ได้บินทบาทในบ้านเนอะเหมือนกับทุกครั้งนะ่ะอย่างนั้นพระสงฆ์ก็ไปบินทบาทจากนั้นก็จัดฉันอาหารข้างนอกดูแต่ทียังไงข้างในเนี่ยก็ควรจะมีใครเป็นผู้เฝ้าดูแลก็ต้องมีอีกเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าจะลุมออกไปข้างนอกหมด พอมากับเข้ามาเนี่มีแต่สไลาว่างเปล่าเออมันก็ไม่ถูกนะพูดทางนี้ทางนั้นทางในครัวก็เหมือนกันก่อนที่จะออกจากครัวต้องอะไรคือความเรียบร้อยรู้ไหมเรียบร้อยคืออะไรเป็นผู้ใหญ่โดยการทุกคนแล้วความเรียบร้อยคืออะไรประตูครูประตูค ร, ระตครัวจะเต็มเลข ก, ก็ทำให้แล้วเนี่ยน่าจะใส่กุญจงกุญใจให้เรียบร้อยก่ อ, อนที่จะออกไป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 ตายแบบกระทันหันอาเจตเป็นเลือดออกมาเลยตายตายเลยหมู่พวกเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ๊เพราะเขาพูดออกอะรุนแรงออกนอกตู้นอกทางหรือเปล่าอบอกขอกลับหลวงพ่ออินด้วยนะขอโทษด้วยเี่เขาอาจจะพูดไม่ถูกก็ได้เอเราเออเราเปิดบัญชีก็จริงอยู่แต่เราเปิดข่าวนั้นเราก็ปิดแต่เด้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 เออตัวเองชั่วแล้วจะให้คนอื่นว่าดียังไงเราก็ต้องว่าเนี่ยมันชั่วนะเป็นยางไงเอ่อเราก็ต้องบอกว่ามันชั่วนะเป็นยางไงเอ่อเราคิดดูใช่มันชั่วไหมถ้าตัวเองคิดว่าก็เออใช่ชั่วจะชั่วแล้วจะว่าตัวเองดีได้อย่างไรนี่แหละเหตุผลมันอยู่จุดนั้น น, นะอัะรัพรอนโมทนาให้พร